การก า, ารสอนลิ์แล้วก็พระคุณเจ้าที่เปล็ลบแล้วก็ขออนุโมทนาบุญกับน้องๆลูกห ล, หลานที่ได้มาช่วยเหลืองานที่ทำพัฒนาบุคคลที่กำลังทำหน้านที่อยู่ขณะนี้ด้วยและก็อนุโมทนาบุญกับกลุ่มผู้ที่สนใจธรรมะ ติดตามมาตั้งแต่กรุงเทพก็จะมาฟังธรรมมาดูบรรยากาศที่ทํามัฒนามงคลวัดถ้ำมัฒนาุงคลวัดถ้ำบรรกฏผมมาทั้งหลายครั้งแล้วก็เพิ่งทราบว่านี่ที่ถ้ำบวรากฏคือพระอาจารย์สมิทธ์าก็บอกเอาไว้แต่ว่าไมไ่ไม่ได้ไม่ได้จํา ก่อนอื่นก็ขออนุโมทนากับพระคุณเจ้าทุกๆลูกที่ได้มีโอกาสได้บรรพชาในช่วงพายร้อนเป็นนักเรียนในร้อยตำรวจจำนวนหนึ่งร้แปดลู ก, ลกอันที่จริงแล้ว การที่พระรุ่ชายได้บวชเนี่ยมันเป็นความฝ่ฝันของกคุณพ่อคุณแม่คุณพ่อคุณแม่ทุกท่านทุกทุกค น, เ, นเมื่อมีบุตรชายขึ้นมาก็อยากใช้บวชควารู้สึกเช่นนี้คนสมัยเก่าๆ เ, เขามีความจำฝังใจมากมีลูกชายจะต้องได้บวช การได้บวชของพระรุจายเนี่ยถือว่าเป็นบุญสูงสุดสำหรับคุณพ่อคุณแม่คุณพ่อคุณแม่แมจะมีแต่ความปิติยินยังแงจ่มใสรื่ื่นปิติไปที่ไหนก็เป็นคุยไปคุยไปบอกไปเล่าแม่ก็ไม่สนใจก็ขอให้ได้เล่าถิว่ามีลูกายได้บวชได้เป็นพ่อพระแม่พระดึงดัพระรุจายได้บวชเนะย พ่อแม่กลายเป็นพ่อพระแม่พระอาการเพื่อบิติของคุณพ่อคุณแม่แบบนี้มันหมายถึงสวรรค์จิตได้ขึ้นสวรรค์เรียบร้อยแนละ้วแม้แต่ร่างกายอยู่ในเมืองมนุษย์เยวพ่อเดี๋ยวแม่ก็ได้ขึ้นสวรรค์ก็เป็นบุญสูงสุดเลย เขาเรียกว่าคยไินคำนี้ไหมคุณพจว่าเกาะชายผ้าเหลืองได้สู่สว่างนั่นแหละตอนนี้คุณพ่อคุณแม่กำลังได้เกาะชายผ้าเหลืองของพระรุ่นชายได้ส่งจิตเรได้ขึ้นสว่างแม้ร่างกายอยู่ในมือนุษย์และที่สําคัญอันยันก็คือเมื่อลูกชายได้บวชพ่อแม่ก็จะเข้ามาที่วัดจะเข้าอธิวัตถบ่อยครั้งบางครั้งต้องห้าม ก็อย่าเข้ามาบ่อยนักนจะหวงรูปมากเกินไปนี่แหลทำให้ท่านเนี่ยได้เข้ามาส่วนที่ดีๆยอมพ่ อ, อยอมแม่บางท่านอาจจะไม่เคยเข้าวัดเลยแต่พอพระรุ่นใจได้บวชเนี่ยเข้าอยู่ในวัดมาช่วยอุปถาะมาเป็นนักธายกตรงนี้นะบางคนฝังตัวอยู่ที่วัดเลยแต่ทั้งที่พระรุนใจสิกไปแล้วก็ช่วยท่านได้ทั้งกายและทั้งใจ ไปในทานตรงกันข้ามถ้าคุณพ่อคุณแม่ทราบว่าลูกติดคุกติดอยู่ในเรือนจำประพฤติผนไม่ดีพ่อแม่ไม่ปลื้มใจอเดียิีมไม่ออกจิตใจจะเศร้าหมองและไม่ไม่ค่อยกล้าจะไปไหนเพราะกลัวเพื่อนของท่านจะถามว่าลูกคนนี้เป็นยังไง คือไม่อาจหาที่จะไปไหนมาไหนได้เท่ากับจํากัดร่างกายท่านไม่ไปไหนเลยด้วยซ้ำไม่กล้าสู้หากับสังคมจิตที่เศร้าหมองนั้นเป็นจิตที่ตกนรกเป็นการตกนรกในเมืองคนทันทีเลยนะจิตเศร้าหมองเพราะลูกชายทําชั่วติดอยู่ในเรือนจําอยู่ในคุกต้องคดีต่างๆ ตกนรกแล้วยังพาร่างกายท่านเนี่ยเข้าสู่นรกในเมืองคนได้ด้วยต้องเข้าไปเยี่ยมลูกชายไปประกันไปติดต่อกับทางเรือนจำเป็นหัวซึ่งท่านเองก็ไม่เคยเข้าเรือนจำแต่ก็ต้องเข้าเพราะลูกชายเนี่ยเป็นต้นเหตุ อะไรียว่าตกนรกในเมืองคนจิตใจก็ตกนรกจิตที่เศร้าหมอ ง, องนี่แหละคือจิตที่ตกนรกนะเราหาได้ขณะปัจจุบันนรกสวรรค์เนี่ยเราพิสูจน์ได้เริ่มจากปัจจุบันถ้าใจดีไปสวรรค์ใจร้ายไปนรกใจเย็นไปนิพพานเราพลิกจิตอะไรนะเราจะจิตดวงไหนนะถ้าจิตเย็นอกเย็นใจนะั่นจิตนิพพาน ถ้าจิตเร้าร้อนกระวนกระวายก็จิตที่ตกนรกเรร้อยถ้าจิตมีความสุขเลื่อปิติยินดีน่าค <c oughs> ือสวัสดิ์ไม่จิตอะไรว่าจะเรียกแบบไห น, นแต่คนทั่วไปก็รู้นะแต่จิตไม่ถึงนิพพานต่จิตถึงแก่นรกคิดแต่เรื่องย้อหมองคิดแต่เรื่องทุกข์พระพุทธเจ้าอาจจะได้เคยนั่งสมาธิทำจิตให้สงบ เมื่อจิตสงบแล้วมันจะมีปีติเกิดขึ้นจิตที่มีปีตินั่นแหละจิตที่ดีจิต ท, ที่เป็นบุญก็เป็นจิตที่เป็นสวรรค์ได้หอนเมื่อจิตเป็นสวรรค์ร่างกายก็ถูอว่าเป็นเทวดานะอยู่ในภูุ่มสวรรค์ของจิตเราพลิกจิตเอาเลยวย่าจะใช้จิตแบบไหนในการดําเนินชีวิตเรืยกเอาได้เลยนะทีวียังมีหลายช่องให้เราได้ใช้รีโมทเปลี่ยน ช่งนี้ไม่ชอบชอบสมมตมันเปลี่ยนได้หลายชอ่องจิตเรานี่ก็เปลี่ยนได้นะเราสามารถพลิกจิตโดยการวิสติเปลี่ยนจิตใจมันจิตมันจะคิดไปทางทุกข์เศร้าหมอแล้วก็เปลี่ยนเปลี่ยนไปทางที่สดชื่นเปลี่ยนเราเลยเปลี่ยนด้วยรีโมทวิสติรีโมทชีวิตคือสติเปลี่ยนจิตเปลี่ยนใจให้จากทุกข์เป็นไม่ทุกข์ได้จากทุกข์เป็นตกได้ อันนี้นอกจากว่าโยมพ่อโยมแม่จะได้อันนี้ส์คันนี้แล้วเนี่ยใครทราบใครรู้ก็จำอนุโมทนาใ mm hmm. นอดีตท ม, มาจากชมรมก็ามาร่ลบอนุโมทน า, mm hmm. าเห็นป้ายติดท้ายรถบัสทันใดว่านักเรียนในร้อยจำลุงเราก็อนุโมทนากับทุกๆ ท, ท่านทุกๆรุน่นที่ได้บท อ, อยู่ณปัจจุบนันนี้มาให้กําลังใจมาสนาับสนุน ในการกระทำความดีือวาขั้นสูงสุดในทางพระพุทธศาสนาเลยเอาตพวอข้าบวนั่นพ่อแม่ได้ญาติน้องได้อนุโมทนาบุญเพื่อนฝูงแล้วจริงๆแล้วเนี่ยการบวชเนี่ยผู้ที่บวชเนี่ยได้รับก่อนเลยได้อานที่ตรงก่อนเลยนะขอให้บวชด้วยความตั้งใจแม้ว่าจะเป็นเวลาที่มันมระยะสั้น รมีความตั้งใจบวชเนี่ยจะได้คุณภาพดีกว่าบวชระยะยาวแล้วก็ทำตัวโดยไรระยะสั้นเนี่ยตั้งใจดีๆเนี่ยปฏิบัติเป็อยู่ในธรรมวินัยเนี่จะได้คุณภาพและทีสงมงตรงีมากกว่าที่ว่าได้กับผู้บวทเองก็คือได้พัฒนาจิตได้พัฒนาจิต แล้วก็ได้มารู้จักตัวเราเองการบวชการกลับมาดูตัวเราเองทุกอย่างในธรรมวินัยเนี่ยให้มาดูตัว เ, เองเท่านั้นแหละให้ดูตัวเราเองมาปรับปรุงตัวเองมาแก้ไขตัวเราเอง เ, เองะช่วยตัว เ, เองได้ปลิตผลตัว เ, เองหรือว่าการันจิตใจใชการบวชทุกอย่างมันจะมีแต่การขัดใจแท้วนั้นถนะ้าเกตดมีแต่การขัดใจฉันก็ฉันแค่มือเดียว นอนก็น้อยฉันก็น้อยแต่ต้องปฏิบัติกินตังพระบุตรศาสนาด้มากสิ่งที่อยากฉันก็ไม่ได้ฉันสิ่งที่ไม่อยากก็ได้คือมีเรื่องขัดอกขัดใจเราตรงนี้ น, นี่แหละมันเป็นการฝึกฝึกความมั่นคง ข, ของกินว่าเราจะทนได้ไหมสภาพเป่นนี้ถ้าใครเข้าใจตรงนี้แล้วเนี่ย ถ้าถึเป็นความที่ไม่ลํา บ, บากเลยจะสบายเลยดูแบบสบายๆ <Okay. S 1> คือได้มาปฏิบัติธรรมพัฒนาจิตคือจิตปุตุชนทั่วไปเนี่ยมกักจะตกอยู่ภายใต้ของอํานาจกิเลสอานาจอารมณ์เนี่ยตกใต้อำ น, นาของความโลภความโกรธความหลงเนี่สายการพัฒนาจิตโดยการฝึก ทำจิตตะภาวนาทำกรรมฐานสมถภาวนาหรือวิปัสนาภาวนาในการฝึกจิตล้วนๆนั้ น, ะนะะกรรมฐานคือการโรงงานฝึกจิตเราก็ อ, อาศัยได้การปฏิบัติธรรมเป็นการพัฒนาจิตให้อยู่เหนือเ ห, หนืออานาจของกิเลสายต่ำจริงต่าอยู่แล้วกิเลส ทำใหเกลียดว่าเครื่องเศร้าหมองอันนี้ว่าเกลียดที่ฝ่ายต่ำคือพวกนี้จะไม่รู้ดีรู้ชั่วเลยวิชาที่ติดไปเลยสุดตรอเข้าใจผิดกันเลยเห็นชั่วเป็นดีเห็นดีเป็นชั่วอันนี้ว่าฝ่ายต่ํมากแต่ถ้าเราพัฒนาจิตใจว่าอะไรคือชั่วอะไรคือดีมันย่อมเกิดขึ้นในจิตใจแต่เราก็สามารถที่จะไม่ทําตามใจเราได้ ไม่ทจาจะตามใจเราได้ใจจะคิดมีดีแต่เราก็ไม่ทำตามเพรานี่เริ่มจะพัฒนาพัฒนาจิตพัฒนากายพัฒนาวาจาไม่เป็นทำตามความคิดตามพิเลตเนี่ยเป็นการฝึกโดยตรงเลยเราจะนม่มีโอกาสตันี้อี ก, กได้กฎระเบียบ ว, วินยัยที่ผู้จ้าได้เรียนมาตั้นแค่ควบคุมเรื่องภายนอกใช่ไหมกายวาจา แต่ว่าธรรมะวินัยเนี่ยควบคุมเรื่องจิตใจให้สงบให้เป็นปกติไม่ให้เลื่อนหลไปตามกิเลสถ้าฝึกตรงนี้ได้เนี่ยฝึกจิตให้สงบให้เป็นปกติได้แต่ว่าพัฒนาจากจิตที่เป็นปุตติชนมาอยู่เป็นจิตที่สูงขึ้นเป็นกัลยาณปุตุิชนเป็นปุตุิชนท่านดีเป็นปุตุิชนท่านดีแม้จะเป็น บวชแล้วก็ตามคุณเจ้า ก, ก็ตามทุกแต่ก็ตามถ้าได้พัฒนาจิตเนี่ยถึงแม้จะไม่ถึงขั้นอริยะชนแล้วก็เป็นปุถุชนชั้นดี <c oughs> เรียกว่ากาลยานะปุถุชนน่าพ บ, <c oughs> น, าาบน่ากล้าม่าน่าไหวตัวนี้สําเร็จไปแล้วขั้นแต่เรื่องการพัฒนาเนี่ยไม่มีการหยุดหย่อนเราก็จะพัฒนาจากปุถุชนชั้นดีไปสู่ความเป็นอริยชนได้นะ อายชนคือผู้อยู่เหนือกิเลสเหเนือความทุกข์ทั้งปวงเหนือปัญหาเป็นอายุชนตั้งแต่อายขั้นต่ำก็ทั้งขั้นสูงสดุดถึงขั้นอาลาหัตอาลาหังทุกคนมีจิตทำได้นิ่งอยู่ภายใต้กาซอาพัองนี้แล้วเป็นต่อกับญาติโยมที่ไม่ได้ลุ่สงสมงทรงปีวันอย่างล่อหรืสัไนไปนะการบรรลุตามเรื่อการอย่ธรรมะนั้นเห็นได้ทุกขนาดจิต ไม่ ว, ว่าจะร่างกายเนี่ยก็ตามที่ดันสถานที่ไหนก็ตามบรรลุทําได้ทุกขนาดจิตอันนี้คือคุณภาพของการบวชแม้แต่จะน้อยนิดแต่ก็มีคุณภาพเปริมาณอาจไม่มากแต่คุณภาพดีแต่เนื่องจากว่าการบวชแต่ละครั้งเนี่ยผู้ที่บวชใหม่มักจะมีปัญหาหน่อนี่พระหนุ่มเน้นน้อยเนี่ยก็ยจะคิด จะมีความคิดเนี่ยหลากไปาเรื่องของกามกับโกรธจะรุนแรงมากกามกับโกรธมันเกิดขึ้นในจิตใจรู้แรงแการคุณคือการมีดีติตใจในรูปเสียงกลิล่นรสการสัมผัสความโกรธคือโทสะ ท, ที่มันเกิดขึ้นในใจความอัดขัดเคืองความไม่พอใจมันมีกาสที่จะระเบิดออกมาได้ ทั้งคำพูดและการกระทําแต่ว่าเรามีธรรมวินัยเอาไว้เพื่อควบคุมควบคุมเอาไว้ควบคุมเพราะฉะนั้นเวลาเราผู้เจ้าบวชยังไม่มีความสุขเพราะเรื่องความคิดตงแต่งเรื่องกินกรารเกลียดพวกนี้เข้ามาผสมเนี่ยเราก็ต้องอาศัยการฝึกฝนจิตนะการฝึกจิตฝึกจิตให้มันมีกําลัง ให้มีกําลังมันจะได้ไม่ไหลไปสู่อารมณ์ของกิเลสนี่เดียวคือการฝึกจิตให้มีกําลังกิเลสโลภกวดหลงกินการเกียดเราห้าไม่ได้ก็ปล่อยให้เขาเกิดขึ้นแต่ว่าเราฝึกจิตให้ควบคุมเอาไว้ย้ายออกมาทางกายทางวาจาให้เป็นต่อว่าย้ายจิตมันเสียศูนย์ถ้า <c oughs> มันเสียศูนย์ไปสู่อารมณ์กิเลสคือการควบคุมจิตคือการฝึกจิตให้มีกําลัง ก็เน uh, you know? like ี่ยการทำกรรมฐานการใช้ชีวิตเนี่ยมันช่วยตักบาตคุณจิจใจย์เราได้แต่เราต้องมีเครื่องมืออย่างหนึ่งที่พุทธิเจ้าท่านตัดเอาไว้ก็คือเรื่องของสติสัมปชัญญะทำที่มีอุปการะมากคือสติความลึกได้สัมปชัญญะคือความรู้ตัว อันนี้แ่ะเป็นเครื่องมือสยบอารมณ์กิเลสไนดะ้จินใจได้กิเลสมันกลัวมันกลัวสติสัมปัญญะเพียงแค่มีสติสัมปยะกิเลสก็อยู่ไม่ได้เหมือนมีความมืดเกิดขึ้นเพียงแต่เปิดไฟสว่างความสว่างของแสงไฟงก็จะไล่ความมืดออกไปได้ทันเราทำแค่อย่างเดียวคือการรู้ตัวรู้ คือสติตัวคือกายคือใจที่นั่ง น, นอนยืนเดินอยู่เรียกรู้ตัวรู้ตัวรู้ตัวเนี่ยทําให้ตัวเราเนี่ยเป็นปกติจิตก็เป็นปกติได้อันนี้เป็นก็เรียกเป็นเครื่องมือล่ามจิตใจแม่มันวุ่นวาวยไปกับกิเลสความคิดฟุ้งซ่านควา ม, มงัวงาหานอนอนความเบื่อความเซ็ง ความสงสัยแหลงเลใจเรื่งของเกเรต่างๆเนี่ยถ้ามีความรู้ตัวเมื่อนั้นเท่ากับจิตนี้ปลอดภัยเป็นปกติจะสงบอยู่ได้และชีวิตของการบวชเนียจะยมีความสุขมีความสุขทีบวชได้นานและที่ทํานี่มีอาถรร์ถ้ามรดกหรือถ้าบัฒนามงคลนี่มีอาถรร์ เห็นบวชที่ลายก็ส็จทุกลายเป็นนี่ก็อยู่ต่อแลวมีพระอาจารย์ทรงนทธิ์ อ, อยู่ต่อได้ดังนั้นบวชที่ลายสึกทุกลายสึกไปทำหน้าที่เรียนหนังสือต่อนะัะ น, นั้นเราทําข้อเดียวคือมีความรู้ตัวความรู้ตัวเนี่ยคือจิตตภาวนานะรู้ตัวเนี่ยมีทั้งสติมีทั้งสมาธิ มีทั้งปัญญามีทั้งจัตตามีทั้งความเปลี่ยนมีพร้อมมีในความรู้ตัวในเอยาบทสีนั่งก็รู้ตัวยืนก็รู้ตัวเดินก็รู้ตัวนอนก็รู้ตัวการทำกรรมฐานทั้งหมดก็ให้แค่รู้ตัวจะนั่งทำสมาธิสงบก็ต้องสงบ สงบอยู่ภ า, า, า, า, า, ายใต้ความรู้ตัวนี่ส่วนอียาบทใหญ่เอียาบทย่อยที่พุเจ้าตั้งดเอาไว้ก็มีการานุ่มสมบงทรงจีวรบินบาทเปิดบาทสงน้ํำขยับขยี้นขึ้นไหวก็มีความรู้ตัวทั้งนั้นทุกอย่างในการก้าวย่างก็มีความรู้ตัว คือรู้ที่ตัวเราธรรมวิ น, ยนัยในต่อให้กลับมาดูตัวเราตลอดเลยไม่ปล่อยให้ส่งกิตไปข้างนอกถ้าส่งไปองนอกปั๊บมันก็ลืมตัวเลืมตัวจิตมันก็ฟุ้งไปกับสิ่งที่มายั่วยวนถ้ารู้ตัวเนี่ยจิตมันฟุ้งไม่ได้เพราะจิตอยู่กันเนื้อกับตัวเนี่ยปลอดภัยจิตอยู่กันเนกับตัวเนี่ยปลอดภัยพอจิตที่ลืมเนื้อลืมตัวเรียกว่าหลงลืมตัวมันก็ไปกับกิเลสเสร็จแล้วก็จะมีความทุกข์ตามมา เราก็ตั้งหลักไม่ทันจิตมันเสียตูนไปแล้ะมันตั้งหลักจิตใจเราไม่ทันเี่ยพอเรารู้ตัวบ่อยครั้าเนี่ยรู้ไปบ่อยครั้ง เ, เนี่ยมันจะเห็นสิ่งที่ละเอียดที่เกิดขึ้นในจิตให้รู้ทันกิเลสเมื่อรู้ทันใจเราเมือไหร่ก็รู้ทันกิเลสในใจเราเพราะกิเลส ก, กับใจเนี่ยมันอาศัยกันอยู่ใจของเราเนี่ยปกติไม่มีกิเลสอยู่ก่อนแต่พอเผลอเปิดใจให้ว่างกิเลส ก, ก็เข้าแทรกทันทีเลย เหมือนนักมวยแม้เวลาที่เขาขึ้นชบเนี่ยเขากาดก็ติดกาดนี่ติดเลยถ้าเปิดกาดเมื่อไหร่ก็โดนชคใช่ไหมกาดกาดที่ติดอยู่ใบหน้าเนี่ยสมัยนี้การมีสติคุ้มของจิจใจไว้ก่อนไม่เปิดช่องให้กิเลสเข้ามาแทรกแต่ถ้าเพิอมเมื่อไหร่แล้วก็ถึงกัเปิดกาดให้มันกว้างก็โดนกิเลสชกใจคุณเจ้าเคยไหมโดนกิเลสชกใจมันยับเยินแล้วก็มีนะ ตกนับยงังไม่ฟื้นก็นมีนะระวังให้ดีนะถ้ารู้ตัวไวเนี่ยกิเลสจกใจไม่ไดเ้เราควบคุมสถานการณ์ไว้เรียบร้อยเราเอาอยู่แล้วกิเลสจกใจไม่ได้ให้มีความรู้ตัวในการแก้ไปเลืเคลื่อนไหวแค่นี้เป็นจิตตภาวนานะคือทําให้จิตมันจเจริญพัฒนาจิตได้แล้วคือความรู้ตัวเนี่ยเป็นเครื่องมือในการพัฒนาจิตได้ดีเยี่ยมเลยคุณเจ้าได้มอบเอาไว้เป็นมรดก สลัดชนรุ่นหลังนี่เวลามันเกิดความคิดฟุ้งซ่านเรื่องของกินเรื่องการเรื่องเกียรเราก็จะรู้ทันรู้ทันจิตตัวเองเท่ากับรู้ทันกิเลสตัวเองอเราจะพึ่งตัวเองได้เนี่ยก็เรียกรู้จักตัวเองรู้จักตัวเองต้องรู้ว่าก า, รเราเ ย, งงยเราเป็นยังไงใจเราเป็นยังไงคือรู้จักตัวเรารู้จักเรื่องกายเรื่องพอรู้จักตัวเองแล้วเนี่ยเรื่องข้งางนอกเนี่ยไม่ยาก เราก็จะรู้ได้ง่ายถ้ารู้จากข้างนอกก่อนมาหาตัวเนี่ยบางทีมันหลงก่อนจะถึงตัวที่รู้ตัวก่อนแล้วก็ทาไปทํางานข้างนอกเนี่ยมันจะไม่หลงตัวในการที่จะเข้าไปอยู่ในสังคมต่างๆไม่หลงตัวไม่ลืมตัวเอาตัวเข้าไปสัมผัสกับสิ่งต่างๆทั้งโปเนี่ยเราจะปลอดภัยเดินก็รู้ตัวนั่งก็รู้ตัวเนอนก็รู้ตัวครับ จะทำแล้วก็ตามมาเติมความรู้ตัวไปด้วยในการดำเนินชีวิตนักบวชสรามการบวชนี่มีอะไรมีแต่เรื่องรู้ตัวนะครับเราจะฉันขนาดไหนนอนเท่าไหน่เพืจะเพียงพอเราจะใช้ชิตยังไงเนี่ยเราก็มีความรู้ตัวเรียนรู้เรียนรู้ตัวเลยทีนี่เป็นประสบการณ์ครั้งยิ่งใหญ่เลยนะการมารู้จักตัวเองและกาเรียนรู้ตัวเองเพราะเราไปตามว่าเราฉันเท่าไหร่เพืจะอิ่มเพืจะพอฉันเท่าไหร่นอนเท่าไหร่เพืจะ พอใครบอกเราไม่ได้นะมันต้องอยู่กับตัวเองต้องรู้จักตัวเองเองละมาตัวเราเองได้เนี่ยเป็นสาระขอการบวช น, นะมันทําให้จิตมันมีพลังทําให้จิตมันเข้มแข็งตั้งมั่นได้ง่ายเวลาเจอเหตุการณ์ข้างนอกเข้ามาผสมสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาเราจะได้ไม่เสียสูญไม่กระสินะะเพราะคนทุกคนเนี่ยเกิดมาเนี่ยมันจะไม่ได้ ใ, ใจหวังลนะ่ะ พุ่งเจ้าลองนึกถึงย้อนอดีตสิถึงปัจจุบันเนี่ยสิ่งที่พุ่งเจ้าหวังเอาไว้เนี่ยมันจริงสักกี่เรื่องกันได้ ใ, ใจหวังสักกี่เรื่องกันมันได้เหมือนกันแต่เรื่องที่ไม่ได้เนี่ยมันเยอะเลยนะไอเรื่องผิดหวังนี่มีเยอะเรื่องสมหวังนี่มีน้อยมากใช่ไหมฮะเนี่ย <Yeah. S 1> และทิ้งที่เรา ว, วิตกกังวลกังวลสารพัดอย่าง สิที่กังวลเนี่ยมันจริงสักกี่เรื่องกันบางทีไม่เกิดขึ้นเลยวันทีไม่เกิดขึ้นกับเราเมื่อเกิดขึ้นกับเราแล้วเนี่ยเราอยู่กับสิ่งนั้นได้โดยที่เป็นปกติมากไม่กังวลที่เราคิดเพราะฉะนั้นความหวังก็ดีความกังวลก็ดีเนี่ยอย่ามันไปเชื่อมันเกิดจากความคิดที่มันปรุงแต่งหวังได้กังวลได้แต่ก็ให้รู้ทันอารมณ์แบบนี้มันจะไม่จริงเสมอไปหรอก บางทีไม่ถึงห้าสิบเปอร์เซ็นต์ด้วยคำไมแล้วสิ่งที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็คือเมื่อมีได้ก็ต้องมีเตี่มีนินทาก็ต้องมีสารเสริดมีสุขก็ต้องมีทุกข์ทุกอย่างอ่ะมันสลับกันเลยโลกธรรมแปดมีลาบเสื่อมลาบมียศเสื่อมยศมีสารเสริดมีนินทา มีสุขก็ต้องมีทุกข์คู่กันซึ่งคนในโลกเนี้ยหลีกเลี่ยงไม่พ้นเพราะว่าโลกกระทำแปดนะโลกกระทำแปดแล้วส่วนที่เราได้เนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาก็ชอบใจแต่ส่วนเสียเนี่ยเราจะทนไม่ได้เลยส่วนเสริมเสียเราทนไม่ได้เลยเราได้ไม่เป็นไรแต่ว่าตอนเสียเนี่ยเร า, าทํำใจไม่ได้ ใจมันเสียสูญอย่างนี้แหละความผิดหวังความพัดพลาความขัดใจสิ่งที่ให้เป็นยังใจเราเนี่ยมันย่อบเดืดขึ้นได้เสมอเสมอแล้วถ้าเราขาดสติเนี่ยขาดความรู้ตัวเนี่ยจมันจะเสียสูญกับลมนั้นเลยเสียสูญไปเลยแต่เราตั้งสูงได้โดยการมีสติไว้เรื่อยๆเนี่ยที่เรามาฝึก ขะที่เป็นพระกุญแจเป็นพระเจ้าประสงค์นี่แหละมันทําให้สูงเราเนี่ยมันเที่ยงแท้แน่นอนมันไม่หวนหมายไปง่ายๆกับไอ้สิ่งที่มาทําให้เราต้องสูญเสียเล ย, ยเป็นโอกาสีนร้านเด็กเปิดเกว้ไหนพระกุญแจรูปไหนที่ไม่เคยสูญเสียบ้างมีไหมห <laughs> รือมีแต่ใด้เสียเ <laughs> มื่อเคยสูญเสียจะได้เสียนะ แล้วเมื่อสูญเสียเรามีใครเลยที่ไม่เคยเสียสูญแล้วพระคุณเจ้ามีรูนไหนกล้าโกอกไหมมันก็ต้องเสียสูญไปบางทีกลับคืนไม่ได้ก็ีรเรื่องธรรมดาพระคุณเจ้ายังน้อยอยู่ยังผ่านโลกมาน้อยอาจจะไม่เจอกับความสูญเสียที่เจ็บปวด อาจจะยังไม่เจอในส่วนนั้นแต่ผมเนี่ยแค่อายุ24ผมก็เจอแล้วเจอความสูญเสียที่เป็นสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่มาก mm hmm. อายุ24ค mm ุณ hmm. เจ้ารูกไหนอายุถึง24บ้างครับ mm hmm. อ้าไม่ได้24เนี่ยผมเริ่มเปลี่ยนชีวิตใหม่แล้วนะจากชีวิตที่มีคนที่มีร่างกายเป็นปกติ อายุ24แล้วเนี่ยการคนที่มีร่างกายพิการช่ตัวเองไม่ได้เลยเริ่มจากอายุ24วันที่3เมษายนปี2522จำได้เลยที่ไม่กี่วันเนี่ยจะฉลองนะวันเกิดเป็นคนพิการ3เมษายนสมัยที่ผมอายุยังน้อยอยู่ผมก็มีความฝ่ฝันนะ ผมเป็นคนชอบสร้างฝันสร้างฝันให้กับตัวเองฝันอยากที่จะฝันนะครับผมสร้างฝันไม่เยอะเพราะเรื่องนี้น้อยโดยที่ชอบสร้างฝันฝันให้ไกลแล้วจะไปให้ถึงแต่ช่วย่างคนจะไปไม่ถึงตั้ ง, งที่ ชีวิตครอบครัววันนี้เป็นคนที่มีความลําบากมากความลําบากมากกับความปสะดกสบายมาจากชีวิตครอบครัวที่ลําบากอย่างที่พระอาจารย์สซนิศบอกว่าเป็นนักเรียนในเรือ <c oughs> <c oughs> เป็นนักเรียนในเรือเต็มขั้นเรือเ น, นี่ยนะเริ่มเรียนจากเกิดมาเลยหรือว่าเป็นลูกชาวเรือเกิดในเรือก็ว่าได้นะ <c oughs> อยู่ในเรือไม่มีบ้านนะสมัยก่อนนี่มีบ้าน เป็นลูกชาวเรือใช้ชีวิตอยู่ในเรือเอาเรือนี่เป็นบ้านจะกินจะนอนจะถา่าทุกอย่างอยู่ในเรือหมดเลยเรือก็ไม่ได้กว่าเป็นเรือที่วิ่งอยู่ตามลำน้ําเจ้าปยาพระเจ้าก็เห็นไหมลำน้ำเจ้าปยาที่เจ้าปยาเนะี่ยเป็นเรือลากจูงเป็นเรือยนตลำเล็กๆเพราะแม่มีลูกตรงสี่คน ผมเป็นลูกชาวเรือเรียนอยู่โรงเรียนในเรือพ่อก็สอนโรงเรียนในเรือเนี่ยเป็นโรงเรียนที่เสริมสร้างประสบการณ์ได้ดีมากคุณพ่อเนี่ยตอนหลายๆอย่างสอนให้ช่วยตัวเองคนอยู่เรือเนี่ยต้องอยู่เรนวิ่งในนา้าสอนให้เราหว่ายน้ําตั้งแต่อายุสามขวบแล้วก็กลัวน้ําแต่พ่อนี่จับโยนเราไปในน้ำเลยให้เราช่วยตัวเอง แล้วก็นึดูแล้วมันน่าจะทําไม่ได้เนาะแต่หมาแมวทํำไมทําได้มันก็ไม่เคยว่ายน้ําทำไมมันถึงว่ายน้ําเป็นได้ถ้าใครไม่ฝึกว่ายน้ําพ่อจะจับโยนน้ําให้ฝึช่วยตัวเองให้ว่ายน้ําให้เป็นเวลาจมน้ําลงไปเนี่ยให้ช่วยตัวเองอะที่จมน้ําคนอาจจะคนส่วนมากตายเพราะจมน้ําตายไม่ใช่ว่าตายเพราะว่ายน้ําไม่เป็นเยอะว่ายน้ําไม่เป็นแล้วจมน้ํา ให้ช่วยตัวเองระว่ที่จมน้ําต้องสอนอยังไงไหมข้างล่างเนี่ยมันจะมีใบพัดใบพัดเรือนช่มันจะมีนอ็อตพรอมบอกว่าเมื่อว่ายนะ้ําไปแล้วเอากุญแจเลื่อนไปไปขันนอ็อตขันแต่ปเป็นคลายน็อตที่อยู่ในน้ําและคลายแล้วจะให้น็อตหล่นถึงพื้นด้วยเพราะจมเจ้าปัญาเนี่ยน็อตมันจมดินหาไม่ได้หายากมาก ให้คลายและนอ็อตแล้วไปพัดเนี่ยผมเบลอเลยนะจะใช้เครื่องมือก็ไปอนุญาตให้แก่สามผุดให้ขึ้นมาสามผุดต้องอันอ็อตขึ้ไม่ได้ในผุดที่สามโอ้โหมันเป็นบท เ, เรียนที่เราต้องอดทนมากแล้วเรอกลั้นลงไปใจได้แค่ไหน <c oughs> เราก็ต้องลงไปอย่างมีสตินะเมื่อก่อนไม่รู้จักสติก็เนี่ยไอ้ถือไอ้เครื่องมือลงไปแล้วก็ไปคลายน็อตให้ได้ผุดแรกไม่ได้ ดามไปผุดนึงผุที่ต้องไม่ได้เพราะใจเย็นรีบร้อนเกินไปงานบางอย่างไม่ต้องรีบเด้งก็ได้รีบร้อนไปให้หายใจนี้ก่อนแล้วค่อยดาไปอีกครั้งหนึ่งผูดที่สามไม่มีการแก้ตัวแล้ว <Yeah. S 1> ดามไปก็เราคลายมาได้ก็มัน ก, มนก็มันก็จะสุดกันน่าจะอีกน้อยอีกน้อยอีกน้อยมันก็หลุดติดมือแล้วก็ยกขึ้นมาจบเอาตัวรอดในช่วงตมดาะ พ่อจะสอนทุกอย่างเรื่องเกี่ยวกัรชื่อเหลือตัวเองให้รู้ถึงความลําบากของชีวิตอดทนกับความร้อนความหนาวกับความหิวคุณพ่อให้ประสบการณ์แบบนี้หมดเลยแล้วก็ให้เห็นประโยชน์ของการมีชีวิตอยู่ในโลกนี้จะไม่ตายด้วยความโง่ของตัวเองให้เห็นประโยชน์ของการมีชีวิตเห็นคุณค่าของการมีชีวิตเรื่องแบบนี้มันฆ่าตัวตายไม่ได้หรอกเพราะว่า พ่อสอนไว้ว่าต้องเห็นคุณค่าของการที่เกิดมาเป็นชีวิตเกิดมาเป็นมนุษย์ด้วยซึ่โอกาสนี่น้อยมากเนีกรสอนทุกอย่างเห็นความลําบากให้เกิดความอดทนให้ช่วยตัวเองช่วยตัวเองนี่สําคัญมากจนกระทั่งพอจบโรงเรียนในเรือแล้วเข้าเกณฑ์เจ็ดขวบต้องขึ้นมาอยู่เรียนกินนอนไรก่อนเรียนกินนอนไม่มีบ้านโรงเรียนกินนอนเรียกโรงเรียนที่อยู่ประจำสมัยเนี้ย พระคุณเจ้าก็อยุงเรียนประจําใช่ไหมครับเี่ผมก็ยุงเรียนประจำํำมริสตอเรียกเรียนกินนอนเด็กอายุเจขวบเนี่ยต้องขึ้นมาอยู่โรงเรียนแล้วก็ไม่มีพ่อแม่และอาศัยครูเนี่ยเป็นพี่เลี้ยงตรงเนี้ลําบากมากเลยนะไอ้ความลําบากตรงนี้รู้สึกมันสอนอะไรหลายอย่างนอกจากความอดทนธรรมดานะอดทนกับร่างกายที่มันหิวมันเหนื่อยมันร้อนยังไม่พอต้องอดทนกับอารมณ์ อดทนกับบารมณ์ที่บีบคัน้นโรงเรียนกินนอนนี่ไม่ได้ ใ, ใจอยากแบบมันมีรู้ว่ห้ามออกจากโรงเรียนนอนเป็นเวลากินเป็นเวลาถึงเวลาก็ฝึกกายบริหารถึงเวลาก็ทํางานแล้วก็เรียนหนังสืออดทนทั้งร่างกายทนหิวก็ต้องทนเจ็บ <c oughs> ปวดมันไม่ได้หาหม อ, องได้ง่ายสมัยก่อนนี่ก็ต้องรอจนสว่างจนครูมาถึงได้กินยาแล้วก็รักษาตัวเอง อายเจ็ดวบช่วยตัวเองแล้วสําคัญคืออารมณ์บีบคั้นเนี่ยสําคัญมากอารมณ์บีบคันน้นอยากจะกินก็ไม่ได้กินอยากจะไปก็ไม่ได้ไปเนี่ความคิดถึงพ่อคิดถึงแม่มันเกิดขึ้นจากตรงนั้นทั้งนั้นเป็นประสบการณ์ที่เราจะต้องเจอและเป็นการฝึกเนื่องจากอารมณ์ที่บีบคัน้นทางด้านความไม่พอใจไม่ชอบใจนี่แหละโอเยอะมากเราต้องอดทนกับอารมณ์ที่มันบีบคั้นในความไม่ชอบใจอึดอัดขัดเกนก็ต้องทนเนี่ย หมดทนทาติดใจอ่ะจากโรงเรียนกินตอนนี่กระทั่งเรียนจบแล้วเราไม่มีที่อยู่ก็ต้องอาศัยอยู่เรียนนั้นต่อยอยดูต่อยอยดูเพื่อเรียนมัธยมซึ่งเราหมดสิทธิ์แล้วเขาให้แค่จบป .7 <c oughs> แล้วก็ต้องออกจากงเรียนนั้นเพราะรัฐบาลเขาให้เงินอุดหนุนอยู่แค่เจ็ดปีแต่เราไม่มีบ้านอยู่ไม่มีที่ไปเราจะไปอยู่ที่วัด พรสมัยก่อนก็ไม่ค่อยสนึรื่งการเรียนหนังสือก็ตัองอยู่ต่อการอยู่ต่อในการอาศัยอยู่แหละบางคนก็ดูแกนด้วยสายตาเราดูแกนดูหมิ่นเยียดยม้มเราบรนพวกอาศัยอยู่บ้างบางคนพูดว่าเป็นพวกกาฝากโอ้โห oh. มันเจ็บใจแต่ว่าอดทนไนะ <Yeah. S 1> ปเล่าให้พ่อฟังพ่อบอกว่าอดทนหน่อยลูกอดทนหน่อ yeah. ย <Yeah. S 1> เราไม่มีที่อยู่เราก็ อ, อยู่งั้นแหะเพื่อแค่อดทนในอารมณ์ที่บีบคั้น ในความไม่ถูกใจไม่ชอบใจสิ่งนี้นเป็นพื้นฐานที่เราได้ฝึกฝนตัวเองได้เนี่ยได้ฝึกความอด ท, ทนเนี่ยความลําบากเนี่ยมันฝึกทําให้เรามีความเข้มแข็งใ น, ในใจิตใจแม้แต่ในตอนเด็กๆมันก็ฝึกให้เราเข้มแข็งเรื่อสร้างภูมิต้านทานทางจิตภูมิคุ้มกันทางจิตเอาไว้ต้านทานอารมณ์ที่เราไม่ปรินปัตนะ เนี่ยมันเริ่มสร้างภูมิแล้วนั้นะเพราะนั้นเนี่ยถ้าเราอยู่ในน้อยเนี่ยอย่าไปท้อแท้เมื่อเจออารมณ์ที่ไม่ชอบใจก็ทนไว้ฝึกไว้ก่อนเพราะต่อไปเรารู้จะเจออะไรที่มันหนักหนากว่านี้ถ้าตอนนี้ทนไม่ได้แล้วต่อไปที่มันหนักนี่จะทนได้อย่างไรพระคุณเจ้ายังไม่เคยเจออารมณ์ที่มันทําให้เราต้องหุดหิดหุดหักก็ทั้งไม่อยากอยู่บนโลกนี้เนี่ยอาจจะยังไม่เจอในตอนนั้นนั้นเรายังไม่เจอในโชคดีแล้วฝึกไว้ฝึกให้จิตใจมันตั้งมั่นให้มันมีกําลังเอาไว้ ตรงางผมมาสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ก็คือเนี่ยอบัติเทตุทำให้ร่างกายต้องพิการไปตลอดชีวิตเสียไปแล้วกลับคืนมาไม่ได้ด้วยต้องพิการไปตลอดชีวิตอยู่ในสภาพที่เนี่ยไปจนกระทั่งตายเนี่ยนี่เป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่เสียกายเสียร่างกายเสียความเป็นอิสระทางกายเสียความสะดวกสบายเราไม่มีความทสบายเหมือนเดิมอีกแล้วพอเปรียบเทียบมาเราก็รู้สึก น้อยใจในวาสนาน้อยใจเพราะุเจ้านี่ครบทอที่สองทำอะไรก็สะดวกพาทียังไม่พอใจตัวเองไงไหมมันไม่ทันการแล้วผมเนี่ยไดเคลื่อนไหวได้แค่นี้ไอ้นี่อย่างอื่นก็ขค้ืหอายไม่ได้แล้วไม่ไรู้ผลด้วยเราต้องอดทนกับสภาพนี้บ้านน้อยแค่ไหนเรียกว่าสูญเสียไปเลยสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่เลยสมัยนู้น ชีวิตราชการรับราชการอยู่สามปีก็ต้องลาออกนะสูญเสียทัณจิตใจชื่อราชการซึ่งเราลักักนักลักหนาจบแล้วต้องมาเป็นอาจารย์สอนวิชารักษาที่เราชอบทำได้แค่สามปีก็ต้องลาออกเพราะร่างกายีการตนะั้นใจจะบวดอีกไม่ถึงยี่สิบปันก็จะบวดเลยนะ คุณพ่อคแม่ได้แจกการ <c oughs> จะบวชแล้วก็ต้องพิการก็ต้องงดไปบวชไม่ได้เป็นความใฝ่ฝันของคุณพ่อคุณแม่ซึ่งเราทำให้ต้องผิดหวังโอ้เสียรู้สึกว่าไม่สบายใจใจไม่สบายใจในเรื่องที่เราตั้งใจะจะบวชแล้วไม่ได้บวชแล้วทำตัวเราเองด้วยโอ้ทำให้ท่านผิดหวังมากเลยความรักต่าง เรารักใครชอบใครเนี่ยมันก็หมดสิดนะเพราะเราเหลือไม่เท่าเก่ามันก็หมดสิดนะใครก็จะมารักขุนการาาเสียความรักเสียความหวังความปรารถเรามีไม่มากมายก็จบดับพุ่งลงพอร่างกายพิการาเป็นการสูญเสียกันใหญ่ก็ผิดหว จบลงตรงนั้นแต่ว่าไอ้ความสูญเสียเนี่ยแม้จะเกิดขึ้นขนาดไหนก็ตามเนี่ยมันไม่จะเป็นต้องเสียศูนย์เสมอไปนะความสูญเสียไม่จะเป็นต้องเสียศูนย์เสมอไปผมนี่เสียเมื่อไงแต่เสียไม่ถึงศูนย <c oughs> ใช่ไหมเสียไม่ถึงศูนย์นะทางด้านดีใจสูญเสียมากมายร่างกายต้องพิการแต่ใจนี่เสียไม่ถึงศูนย์ยังมีส่วนหนึ่ง ที่ทําให้เราคิดที่จะแก้ปัญหาตัวเราเองเป็นช่วงรอยต่อของชีวิตในช่วงนั้นเนี่ยถ้าเราไม่มีกาลันตีอต่าเช่นคุณพ่อคุณแม่หรือญาติพี่น้องเนี่ยเราคงจะเสียศูนย์แล้วก็เสื่อมเสียไปกับไอาบายามุกเลยเห็นไหมคนสมัยนี้เวลาผิดหวังทํายังไงกินเหล้าเมายาเล่นการพ น, นันหมกมุ่นอยู่กับอบายามุก เกียรติคล้านทำการงานทําชั่วทําผิดไปเลยเนี่ยนั่นก็เรียกพอเสียสูนไปแล้วมุ่งอยู่ทางอไปมุกเนี่ยมันก็ไปทางเนี่ยก็เรียกว่าเสียแล้วเสียเล ย, เยหมดเนื้อหมดตัวไปเลยแต่เราโชคดีที่จะมีสิ่งรอบตัวคือมีคุณพ่อคุณแม่ที่มีผู้อุปการะคุณมากให้เราหันเหชิดมาทางสนใจเรื่องธรรมะเนี่ย มันเกิดศรัทธาตรงที่ว่าเราสูญเสียเมื่อลยเกิดศรัทธาที่จะมาสนใจกับธรรมะเนีก็ามาฝึกมาปฏิบัติธรรมานี่แหละแต่ก่อนไม่เคยสนใจเรื่องธรรมะนะไม่เคยสนใจเรื่องศาสนาเห็นว่าไม่เป็นประโยชน์สำหรับเราดิซ้ำไปแต่ครั้งนี้มันจำเป็นเพราะเป็นประโยชน์มากถ้าเราไม่มีการสูญเสียแบบนี้นะเราก็จะมีศรัทธาเรื่อง ธรรมะอุตสาหาเลยความสูญเสียทําให้เกิดสภาที่หันเนืชีวิตมาสนใจกับการปฏิบัติธรรมมากขึ้นเพราะเป็นประโยชน์นะการสูญเสียไม่ใช่ว่าให้โทษอย่างเดียวมันช่วยใจเราได้มาในทางดีก็ได้แต่โชคดีแล้วก็เลยมาในทางดีนะเนี่ยหัมาสนใจธรรมะก็ใช้วิชาเก่า ปีชาที่เราจบแต่ตรงเรียนในเรือแล้วความอดทนอ่ะทำใจมันอดทนในสภาพร่างกายที่มันอ่อนแอหรือทำใจมันอดทนเข้มแข็งเอาไว้ในสภาพที่เราสูญเสียสิ่งที่เรารักไปซึ่งเราทุกคนทำได้ความอดทนเนี่ยอดทนที่ใจและมันมีผลทึงความสำเร็จได้เจ้าอย่าต่อแท้นะถ้าไม่เริ่มเริ่อดทนเนี่ย เราก็จะจมปลักอยู่กับไอ้ความสูญเสียไปเลยอดทนไว้ก่อนเพราะในโลกนี้ไม่มีอะไรเที่แท้แน่นอนเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเห็นไหมน้ําท่วมมีสูญเสียมากมายสมัยก่อนได้ยินไหมเมื่ีเราได้ข่าวม า, หาออเห่าเรียนทีแล้วเนี่ยโอ้โลอง เ, เนี้มันผ่านไปแล้วกลายเป็นเรื่องธรรมดาไปเลยเรื่องจะรอน้ําท่วมลุกขึ้นใหม่อดทนสัปดาห์มันก็เปลี่ยนไปทุกอย่างก็เปลี่ยนไปไม่มีอะไรคงที่หรอกทนไม่ได้ ทนแล้วต้องทนให้ได้ด้วยทุกอย่างมันก็จะเปลี่ยนไปเราก็จะเริ่มที่พัฒนาตัวเองผมเริ่มพัฒนาตัวเองโดยการมองเห็นคุณค่าของชีวิตเราถ้าเรามองเห็นคุณค่าสิ่งไหนนะเราจะพัฒนาสิ่งนั้นได้ดีมากเลยนั้นจะพัฒนาอะไรก็ตามต้องมองเห็นคุณค่าก่อนคุณค่าของชีวิตมีอะไร เราก็มองให้เห็นซะเราก็จะพัฒนาใ ไ, ไงานอย่างถ้ำพัฒนมงคลเนี่ยเราจะพัฒนาถ้ำพัฒนามงคลเนี่ยวัดถ้ำพัฒนามงคลเรา ม, เมองเห็นคุณค่าของวัดถ้ำพัฒนามงคลเนี่เห็นคุณค่าเห็นประโยชน์มาอ๋อที่นี่มีการอบรมพระเป็นที่สปายะทำกรรมฐานภาวนาได้ดีเห็นประโยชน์ตรงนี้ปั๊บเราก็อยากจะพัฒนาให้มันดี <laughs> ที่ผมมาทุกครั้งมาทุกปี ที่พระกุณฑเจ้านี่เชิญไปเนี่ยก็เพเห็นประโยชน์ที่นี่แหะเห็นประโยชน์ว่ามีการอบรมมีการปฏิบัติธรรมเห็นประโยชน์ทิ่งมาช่วยมาให้เงี้ยคิดให้กำลังใจเพราะเห็นประโยชน์เพราะฉะนั้นจะพัฒนาชีวิตเนี่ยมองชีวิตเป็นประโยชน์ให้มีคุณค่าเราจะพัฒนาเองได้ง่ายมากมันจะเกิดความพอใจเกิดความเพียรที่จะพัฒนาชีวิตให้มันมากขึ้น ผมก็เอายกชีวิตเราเนี่ยเป็นให้มีคุณค่าซะ <c oughs> แค่คิดเอานะแล้วก็เปลี่ยนวิธีคิดใหม่คิดใหม่ว่าเราจะคิดยังไงทำอย่างไรอย่างน้อยต้องยอมรับ <c oughs> เมื่อเจอปัญหาชีวิตเจอความสูญเสียรู้จักยอมรับยอมรับสิ่งที่มันเกิดขึ้นให้ได้โดยที่ไม่ปฏิเสธด้วยถ้าเราไม่ยอมรับเนี่ยมันเสียเวลาอยู่การที่ทําไมต้องเป็นเรา เราไม่น่าเป็นอย่างนี้เลยบุ่นบายอยู่กับสิ่งที่มันต่อต้านไปความเป็นจริงของชีวิตเราความสูญเสียความพลาดพลาดมันก็เป็นจริงเริ่มจากการยอมรับจะก่อนผิดจะได้ไม่ต่อต้านจะจะได้เบ า, อ ย, ายอมรับซะก่อนที่เวลาทํากรรมฐานเนี่ยเวลาเกิดความคิดฟุ้งซ่านเราก็เออดีอย๋ยวรับเออความคิดฟุ้งซ่านเป็นเรื่องธรรมดาคล้ายๆกัคิดได้ทั้งนั้ น, เ, นเราก็มาอยู่กับการทํากรรมฐานต่อ เห็นปะยอมรับนะถ้าเราไปต่อต้านไม่อยากให้มันคิดไม่อยากให้มันเกิดเนี่ยโอ้จิตใจมันไม่นิ่งมันไม่สงบนะมันยิ่งทําให้จิตใจนี่ปรุงแตกมากมาฟุ้งซ่านมากมาเมื่อเกิดการสูญเสียต้องจักยอมรับธรร ม, มาดาเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นทุกอย่างเดี๋ยวมัก็เปลี่ยนไปเรายังมีโอกาสอยู่ตอนนี้คิดอะไรไม่ออกไม่เป็นไรเดี๋ยวต่อไปเราก็คิดออกเองเดี๋ยวรับซะก่อนอย่าไปต่อต้าน แล้วก็เรียนรู้ที่อยู่กับความสูญเสียได้ก่อนเรียนรู้ที่จะอดทนอยู่กับสิ่งที่เราสูญเสียไปให้ได้เนี่ยพออยู่ได้แล้วยมันจะเรื่องกลายเป็นเรื่องธรรมดาไะใช่ไหมเวลาเราสมัยเนี้คนเป็นโรคมะเร็งเยอะเป็นโรคมะเร็งปั๊บเนี่ยโอ้โหุดหดหดอึกนี่ยโทษคนนู้นโทษคนนี้ไม่ได้ยอมรับก็เลยไม่ได้รักษาเลยทนทีอย่รักษาก็ไม่รักษาเลยเพื่อแต่วุ่นวายอยู่กในโลกนี้เอง แต่เราเออเราเป็นมะเร็งเป็นมะเร็งก็เป็นมะเร็เเงเราก็รักษาไปจะหาหมอหาโรงพยาบาลรักษามันไวแต่ที่มะเร็งจะลุกลามไปมากมายเราแก้ปัญหาได้ไวยอ้อนแล้วก็แก้ไขเรียนรู้ที่อยู่กับมันให้ได้ก่อนบันที่อยู่กับสิ่งนั้นได้เนี่ยบางทีเราก็จะได้รู้จักคิดรู้จักวิธีการผ่อนคลายแก้ไขปัญหาได้ง่ายมากเรียนรู้ที่อยู่กับมันเปลี่ยนวิธีคิดซะใหม่นะ พี่คิดเวลามันเกิดความสูญเสียเกิดมาชีวิตปั๊บเนี่ย <c oughs> อย่าไปมองเรื่องปัญหามากเกินไปอย่ามองเรื่องปัญหาเรามองว่าเราจะแก้ปัญหาอย่างไรมองในทางออกให้ได้ <c oughs> คิดไปในแง่บวกเอาไว้โอ้เรามีโอกาสเรามีทางออก <c oughs> อย่าจมปลักอยู่กับปัญหาอย่างผมเนี่ย พ, พ่อพิการปั๊บเนี่ยแต่ก่อนเคยมองถึงความลำบากตัวเองนี้เปลี่ยนใหม่เลย แทนที่จะมองความลําบากความไม่สะดวกไม่สบายต่างๆไม่มองตรงนั้นเปลี่ยนมุมมองว่าเราจะพัฒนามันอย่างไรเราจะฟื้นฟูมันยังไงให้มันเป็นประโยชน์กับตัวเราเองเราต้องการจะพัฒนาตัวเราใช่ไหมละ่ะฟื้นฟูยังไงให้เป็นประโยชน์กับตัวเราเองและเป็นประโยชน์คนอื่นด้วยมองในทางออกซะถ้าเจอปัญหาถ้าไม่คิดหาทางออกไม่คิดในแง่บวกเนี่ยเราก็จะจมตรากับปัญหาทําไมต้องเป็นเราอยู่นั่นละ่ะ เนี่ยการออกจากปัญหาที่เกิดจากความสูญเสียเนี่ยผมไม่ก็ช่วยตัวเองนะอาศัยการช่วยตัวเองช่วยตัวเองก่อนพยายามช่วยตัวเองฝึกการพลิกตัวการแต่งปันการทานข้าวพยายามช่วยตัวเองให้ได้ทา่าทางกายแต่ส่วนจิตใจเนี่ยผมอาศัยการปฏิบัติธรรมเนะี่ยเนี่ยการฝึกสติการมารู้ตัวในชีวิตประจำวั น, นฝึกฝนจิตใจ ให้จิตมันมีกําลังแม่มันคิดไปหลานที่มันทำให้เราต้องเป็นทุกข์ฝึกติดฝึกใจในการรู้ตัวรู้ตัวเนี่ยเป็นการฝึกสติอยู่ในยุคจำบันเนี่ยเราก็ฝึกตรงนี้ได้แต่แล้วก็เราก็จะเข้าใจตัวเองเข้าใจชีวิตเข้าใจตัวเองมากยิ่งขึ้นและความทุกข์ทั้งหลายที่เราลุ่มลาล้นค่อยๆมันลดน้อยลงไปเมื่อเราขันกลับมาดูตัวเองมาแก้ปัญหาใจเราเอง ตัวปัญหาอยู่ที่จิตใจไม่ใช่ร่างกายเห็นไม่ร่างกายเราทนได้เราเจ็บปวดเราทนได้พระคุณเจ้ า, เาทนได้แนะแต่เวลาใครมาว่าอะไรเราเนี่ยกระทบใจกเราเนี่ยเราทนยากมากเห็นหเรื่องที่จิตใจเป็นเรื่องใหญ่มากใหญ่กว่าด้านร่างกายมันอดทนได้ยากทั้งจิตใจแต่ร่างกายนี่ทนได้ <c oughs> แต่ใจเนี่ยมันทนยากมันต้องมีสติมีสััญญะคอยรู้ไว้ ก็รู้ตัวไว้ใจจะได้ไม่รับกับไอ้ความลําบากที่มันขึ้นธนาจิตใจเนี่ย <c oughs> สูญเสียเหมือนกันแต่ใจเนี่ไม่เสียถึงศูนย์พยายามฟื้นคืนมาจนได้วิชาความรู้ที่เรียนมาจบปริญญาตรีเนี่ยมันช่วยใจไม่ได้เลยนะมันช่วยใจไม่ได้เลยมันทําให้เรามีอาชีพตนเองเแต่ วิชาการทำกรรมาฐานฝึกวิตใจเนี่ยมันช่วยใจเราได้ช่วยใจเราไม่ให้ทุกข์ได้ธรรมะช่วยด้านจิตใจก็เลยแก้ปัญหาใจได้แม้ร่างกายก็ยังพิการเหมือนเดิมแต่แก้ปัญหาใจได้เข้าใจตัวเองรู้จักตัวเองมากขึ้นถ้าเป็นประสบการณ์ชีวิตเนี่ยก็เลยว่าเออแม้เสียกาย มันก็ยังเหลือใจที่จะทําตัวเองให้มีคุณค่าทั้งตัวเองและคนอื่นได้เนื้เสียกายก็ยังเหลือใจอยู่ที่จะทําประโยชน์ได้ทั้งกับตัวเองและคนอื่นพึ่งตัวเองได้แล้วก็ไปที่พึ่งของอื่นได้ด้วยกระพริใจได้ฝึกใจเนื้อร่างกายก็พิการไปจนกระทั่งตายมันแก้ไขไม่ได้แล้วเนี่ยมันเป็นประสบการณ์ ประสบการณ์ชีวิตชีวิตเนี่ยมันไม่มีตำราหรอกแต่ตำราเนี่ยเขียนมาจากชีวิตทั้งนั้นแหละตําราทั้งหลายเนี่ยมาจากชีวิตทั้งนั้นแหละประสบการณ์ชีวิตคือตําราเล่มใหญ่เที่ยวย้ายพลาดไปประสบการณ์ที่เป็นตําราเล่มใหญ่และเรื่องประสบการณ์เนี่ยเล่าให้ฟังได้แต่ว่าทําแทนกันไม่ได้นะ เจ้าต้องไปฝึกฝนทำเอาเองทุกฝนทําเอาเอง <Yeah. S 1> การบวชเนี่ยมันช่วยทําให้เราฝึกจิตขุนใจเราโดยตรงเลย <Yeah. S 1> ฝึกความอดทนฝึกเรื่องที่มันจะต้องขัดใจไม่ถูกใจเรา <laughs> ฝึกเอาไว้แปลว่าเราอดทนให้ได้ให้จิตมีกําลังให้ได้อย่าให้เสียศูนย์ในสิ่งที่เราไม่พอใจ <laughs> ตั้งศูนย์เอาไว้ได้ได <Yeah. S 1> และสิ่งนี้มันเป็นพื้นฐานแล้วต่อไปเมื่อเรา เราทำงา น, เ, นเรามีลาบเราอาจจะเสื่อมลาบมียศตำแหน่งอาจจะถูกถอดก็จะได้ทำใจไดเ้เวลาเราใช้ชีวิตดีๆแล้วมีใครมานินทาไม่มีใครชมเราเราก็จะนิ่งได้กปกติได้ไม่เตียตู น, เ, นเวลาเราเจอความทุกข์ในชีวิต เ, เราก็สามารถที่ทนได้ความทุกข์มันทับถมเข้ามาเนี่ย เราก็สามารถทําใจให้ไม่เสียตูนได้เริ่มจากการฝึกตรงนี้แหละและต่อไปมันจะใช้ประโยชน์ได้มากสำหรับคนทั่วไปในโลกนี้นะไม่เฉพาะพระกุญช่าอย่างเดียวเนะี่ยมันมีประโยชน์สำหรับเราตรงนี้แหละเนี่ยเพราะนั้นเมื่อความสูญเสียผ่านคมนวณชีวิตสิ่งแรกที่ต้องทําก็คือตั้งสติให้ได้ตั้งสติให้ได้นะ เวลาเกิดความสูญเสียว่านเนี่ยเออเปการสูญเสียนะถ้าตั้งสติไม่ได้เนี่ยใจมันจะเสียสูญนะการตั้งสติได้นะทำให้รักษาจใจเป็นปกติในท่ามกลางความสูญเสียใจจะปกติแล้วก็จะคิดแก้ปัญหาได้ง่ายเราตั้งสติไม่ได้เนี่ยมันจะสูญมันจะเสียสูญไปเลยเจะทำอะไรไม่ถูกเลยแล้วต่อจากการเสียสูญคืออะไรไหมมันจะทำให้เราเสื่อมเสีย นะเมื่อเราเสียศูนย์เสียแล้วสติเรามาไม่ทันเมื่อใจฤาสีเสียศูนย์ไปแล้วเป็นทุกข์ปุจจิณก็ต้องมีสติต่อไปว่าโอ้ไม่เป็นไรหรอกเราสามารถฟื้นคืนมันได้เราสามารถทาําใจดีได้เนี่ยต้องมีสติอีกขั้นหนึ่งขั้นต่อถ้าขาดสติตรงที่เสียศูนย์เนี่ยมันจะไหลไปทางอบายมุขเราทําเองด้วยนะดื่มสุราติดสิ่งเสพติดนะ เล่นการพนันเที่ยวกลางคืนเปรียดคลานทําการงานคบคนชั่วตั้งแก๊งเด็กแว้นเด็กบุ่นวายเนี่ยเพราะเรามีสติในการที่เราเสียสูญขาดสติไปแล้วก็จะไหลเทไปทางกับุปแล้วบางลายไล่กันนั่นนะคิดเป็นมิจฉาทิฏฐิเลยว่าเออทาดีไม่ได้ดีต่อไปนี้จะทําชั่วเออเราก็จะคิดว่า ทำดียังไม่ได้ดีทำชั่วจะได้ดีได้อย่างไรทำดีมันก็ต้องได้ดีเพราะทำดีเนี่ยมันมีดีอยู่แล้วในการกระทำทำดีเนี่ยดีอยู่แล้วในการกระทำใช่ไหมแต่เรามักจะมองว่าทำดีจะต้องมีคนมาชมเรามีคนเห็นเราได้เงินได้ทองได้ยศตำแหน่งไม่ใช่นั่นเป็นผลไกลๆแต่ทำดีมันก็ดีอยู่แล้วในการกระทำทำดีก็คือดี ใครไม่เห็นก็ดีเราก็ดีอยู่ในการกระทำอย่าไปรอผลขนาดนั้นเราจะรอผลที่ไกลเกินไปอาจจะไม่ได้ดีอย่างที่เราคิดว่ามันจะดีเป็นความหวังของเราเฉยททำดีมันก็ดีอยู่แล้วถ้าทำชั่วทำผิดมันก็ผิดเกิดชั่วอยู่ได้ในตัวไม่ต้องรอ้อยใครเห็นเราก็เห็นเองว่าเราทำอะไรเห็นไหมนั้นทาดีก็ต้องดีทำชั่วก็ต้องชั่วในการการะทาอย่าไปรอ พวกมิจฉาทิฏติเนี่ยเวลาทำดีได้ดีมีที่ไหนทําชั่วได้ดีมีถงไปเขามองผิดไม่เข้าใจเรื่องความดีความชั่วก็กลายเป็นคนวิชฉาทิฏฐิไปยอันนี้เลวร้วายนะทักาะสติเลีา ย, ยานที่เสียสูญของจิตใจเนี่ยเลวร้วายมากก็ทําให้ชีวิต เ, เสื่อมเสียพอเสื่อมเสียแล้วเนี่ยบางทีฆ่าตัวตายไปเลย ค่าตัวตายไปเลยศูนย์พันไปเลยก็มีนะค่าตัวตายเยเนี่ยเสียชาติเกิดนะแค่ศูญเสียใจเสียศูนเพราะขาดสติทําให้เสื่อมเสียเสียชาติเกิดไปเลยเนี่ยเพราะขาดสติตัวเดียวเพราต้องระวังระวังให้ดีนะพะคุณจ้าเพราะเกิดการชีวิตที่มันจะต้องศูญเสียมาสู่จิตใจสู่ชีวิตเราเนี่ยตั้งสติให้ได้ก่อนรักษาใจให้มันปกติย้ายมันเสียศูน เราจะมีวิธีการแก้ปัญหาและวิธีคิดวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องในช่วงของการบวชนี้ยก็ถือเป็นโอกาสดีที่มาฝึกตัวมีเไว้อย่าประมาณในช่วงยุ่ย น, น้อยๆยังเจอปัญหาน้อยความทุกข์ยังน้อยอยู่ยังมีเรียวแรงมีกําลังอยู่ฝึกไหนๆบวชมาแล้วก็ฝึกฝึกให้มีสติ กลับมาดูตัวเรารู้ตัวเสมอจะทำำํากรรมฐานแบบไหนก็ตามให้มีความรู้ตัวเมื่อสงบก็ให้รู้ตัวว่าสงบเมื่อจิตคิดฟุ้งซ่านก็ให้รู้ตัวรู้ตัวอย่างเงี้ยจิตมันจะมีกําลังมีกําลังแล้วต่อไปเวลาความสุขเสียต่างๆภัยพิบัติต่างๆความพัดพลาดจากสิ่งที่เรารักมันผ่านเข้ามาในชีวิตเราเนี่ย เราจะได้มีสติมีปัญญามีความฉลาดแก้ปัญหาสิ่งนั้นได้ทันทุกทเราก็ไม่เป็นทุกข์เนี่ยเพราว่าเราไม่ประมาทสูญเสียเท่าเท่าไหร่เนี่ยใจก็จะไม่เตสียตัวจะยิ้มยิ้มในความสูญเสียเป็นเรื่องธรรมดาของชีวิตเราจะมองทุกอย่างที่เกิดจากการสูญเสียเรื่องธรรมดามาเรื่องธรรมดาพอมาเรื่องธรรมดาแล้วใจเราก็จะเบาสบายเห็นความเป็นธรรมดาเท่ากับบรรลุธรรม อ๋อธรรมดาแล้วบรรลุธรรมธรรมดาแล้วก็แก้ปัญหาไปโดยที่การไม่ต้องทุกข์ว่าเป็นการบรรลุธรรมนะก็พวกเราก็ได้มากันตั้งแปดคนแต่ชีวิตก็เพื่อมาอนุโมทนาบุญกับพระกุญเจ้าที่ได้มีโอกาสได้บวชแล้วก็ได้เป็นอนอนเนื้อในพุทธศาสนาแล้วก็เป็นทําให้พ่อแม่เนี่ยปลื้มพิธิอินดีใครรู้กับพิธีอินดี การได้ปฏิบัติได้บวชเนี่ยแล้วก็ได้ทำกรรมฐานด้วยเนี่ยมันครบครบทุดศีลสมาธิปัญญาเรือว่าเป็นการบวชที่สมบูรณ์แบบแม้จะช่วงระยะเวลาที่น้อยแต่ทำให้เราเนี่ยได้คุณภาพการบวชเราอาจจะไม่มีโอกาสอย่างนี้อีกก็ได้การบวชแต่ละครั้งในมีความหมายเือให้ฝึกฝนจิตใจได้พัฒนานจิตใจให้มันเข้มแข็งให้มีกาลังเอาไว้ อยู่ในโลกนี้อย่างไม่ต้องเป็นทุกข์ไม่โดนโลกนี้มันข่มกัดเอานะเหมือนริ้นงูอยู่ในปากของงูไม่เดือดโดนเขี้ยวงูเลยนะต้องอยู่แบบนั้นที่เอาตัวรอดไดนะ้แล้วก็ถ้าสิ่งใดที่ทําผมได้พูดและก็ทํากายก็ดีวาจา ก, ก็ดีใจก็ดีถ้าล่วงเกินพระบุญเจ้าหรือไม่บอกไม่สมก็เมตตาให้อภัยด้วยนะับมาสการ